แล้วเขาก็ใส่บาทหน้าบ้านก็เป็นอาหารดีเลยเพราะขนมแล้วก็ได้มีเวลาอ่านหนังสือนะหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนแต่เป็นหนังสือที่อยากอ่านก็คือนิทานนะิทานไทยนิทานต่างประเทศก็ได้อ่านเต็มที่นะยืมจากห้องสมุดไปสองสามเล่มก็อ่านเกือบหมดเกือบหมดนะก็เป็นช่วงที่มีความสุข และอันที่สองอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการบวชแม้จะสามวันก็คือกลัวผีน้อยลงนะกลัวผีน้อยลงนะแล้วก็แต่ก็ยังกลัวผีอยู่นะจกนกระทั่งมาบวชที่นี่แหละอายุ26ก็ยังกลัวผีอยู่นะเวลาขึ้นไปขึ้นไปเวลาทําวัดเสร็จจากสาราไก่เดินขึ้นหอไตรแต่ก่อนมีพักที่หอไตรยอยู่ข้างบนเขา ไม่มีกุตินะต้องพัก ร, มรวมๆกันขึ้นผ่านป่านี่คนเดียวนี่กลัวเลยนะมาหายกลัวก็ต่อยมาบวชปฏิบัติที่นี่เนะี่ยแต่ว่าตอนบวชนเรนก็หายกลัวไปเยอะนะแล้วพวกเรานี่มาบวชสามอาทิตย์นี่อย่างน้อยก็ความกลัวผีก็น่าจะลดลงนะแล้วก็ที่ได้น่าจะได้มากกว่านนะั้นคือการอยู่ง่ายกินง่าย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 ประโยชน่ก็มันคือทำให้เรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์นะเหมือนกับเวลาเราฉีดวัคซีนนะเราฉีดวัคซีนเพื่อที่เราจะได้มีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคและทำไมภูมิคุ้มกันเชื้อโรคถึงจะเกิดขึ้นไดจากการฉีดวัคซีนก็เพราะว่าในวัคซีนเนี่ยมันมีเชื้อมันมีเชื้อโรคอ่อนๆ น, นะหรือว่าเชื้อโรคที่แก่ๆ ก, ก็มีนะหรือตายแล้วก็มี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 จะมีภูมิคุ้มกันโรคได้ก็ต้องมีเชื้อโรคหรือว่าใส่เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายในทนาเดียวกันคนเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์ยากได้เราก็ต้องเจอความทุกข์ยากก่อนพอเราเจอความทุกข์ยากเจอความลำบากเราก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อไปเจอความยากลำบากที่หนักหนาสาหัสนั้นเราก็ยังพอจะทรงทรงตัวไหว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 แต่การที่ได้ให้ลูกได้มาเจอความยากลำบากเนี่ยนะมันก็ทําให้ลูกเข้มแข็งเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วเข้มแข็งในจิตใจและความเข้มแข็งนี่แหละที่จะช่วยเขานะอาจจะช่วยได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าพอเขาเข้มแข็งแล้วเขาก็สามารถที่จะพัฒนาความเข้มแข็งนี้ให้ให้มันยั่งยืนได้เช่นเขาได้เห็นประโยชน์ความเพียรเห็นประโยชน์ของความ ลำบากเขาก็ไม่กลัวความยากลําบากนะพอไปที่ไหนแม้จะลําบากนะเขาก็ได้ประโยชน์จากความยากลาบากนะเขาก็เข้มแข็งต่อไปถึงพ่อแม่ไม่อยู่ถึงพ่อแม่แก่ตัวนะเขาก็สามารถพึ่งตัวเองได้เนะพราะฉะนั้นเนี่ยนะาการมาที่นี่เนี่ยนะมันก็จะมีความยากลาบากรอเราอยู่นะเริ่มตั้งแต่การที่กินข้าวได้แค่สองมือ้อนะไอ้มื้อที่สมเนี่ยก็อดต้องอด หรือว่าจะอาบน้ำนะก็ไม่ใช่ว่าจะอาบได้สะดวกสบายไม่ต้องรอคิวเข้าคิวก็ฝึกให้รู้จักรอคอยนะจะกินข้าวก็ต้องเข้าคิวเข้าแถวก็ต้องฝึกรู้จักการรอคอยเพียงแค่คอยเป็นนี่ช่วยได้เยอะและ้ะเพราะเด็กสมัยนี้คอยไม่เป็นอยากจะได้อะไรก็ชอบอะไรที่มันสําเร็จรูปหรือว่าเสร็จเร็วๆไวได้ไวๆได้เร็วๆอยากได้คะแนนดีก็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 คนที่รู้จักคอยเนี่ยนะเขาจะมีความเพียรพยายามอยากได้คะแนนดีๆก็ต้องอดทนต้องอ่านหนังสือนะต้องขยันขันแข็งนะต้องยอมเหนื่อยยากมันมแม้มันไม่ไวแต่ว่าผลสําเร็จที่ได้เนี่ยมันน่าภาคภูมิใจแล้วก็จะเป็นความสําเร็จที่ติดตัวมันตลอดก็คือมีความรู้เพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่เห็นลูกลําบากนี่ก็ก็ต้องเข้มแข็งนะต้อง มีอุเบกขาเพราะถือว่าลูกกำลังได้รับบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาในภายภาคหน้าอย่าให้ลูกสบายเกินไปนะเพราะว่าลูกจะอ่อนแอ